สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศมิหารนมัศ ก, การเจ้าค่ะจุลพรวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะคะก็แนะนําช่องทางในการเข้ารับฟังรายการธรรมะสบายๆกับท่านผู้ฟังก่อนนะเจ้าค่าะท่านผู้ฟังเนี่ยที่เล่น Facebook อยู่มีคอมพิวเตอร์หรือมีมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ สามารถที่จะเข้าไปรับฟังกันได้ที่หน้าเพจของเฟซบุ๊กอีซีธรรมะโดยที่ Easy ธรรมะเนี่ยติดกันสกดว่า EASY DHA MMA ซึ่งภายในหน้าเพจของ Easy ธรรมะเนี่ยก็จะมีเรื่องราวธรรมะต่างๆทั้งรายการธรรมะสบายๆอันนี้แล้วก็เป็นเสียงอัดหนังสือ ของรูบาาจารย์หรือไม่ก็เป็นคราวาทที่แต่งหนังสือธรรมะเนี่ยดีๆก็ได้เอามาอ่านหนังสือเหล่านี้บันทึกเสียงแล้วก็ให้ได้ฟังเนี่ยได้ลองรับฟังกันเพื่อที่จะได้นำคำสอนหรือธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยได้นำไปปฏิบัติใช้ให้เห็นผลปรากฏขึ้นในชีวิตของเราก็าคือว่า เอาไปเป็นเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความทุกข์ในชีวิตของเราวันนี้ก็อยากจะคุยถึงเรื่องที่พึ่งที่พึ่งค่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก็คงจ ะ, ะบางทีเนี่ยชีวิตเกิดปัญหาก็อาจจะหาที่พึ่งในหลากหลายรูปแบบบางคนก็อาจจะไปพึ่งสิ่งที่ตนนับถือแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะ หาวิธีที่จะแก้ปัญหาแก้ภูมิของตัวเองแล้วก็ให้เรื่องราวนั้นมันผ่านไปได้นะเจ้าค่ะใช่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องที่พึ่งเนี่ยเราก็น่าจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าที่พึ่งซะหน่อยนึ่งก่อนเจ้าค่ะคำ ว, ว่าที่พึ่งเนี่ยถ้าเราจะใช้คําว่าที่พึ่งแล้วเราก็เอาคําศัพท์คําว่าที่พึ่งเนี่ยมาอธิบายตัวเองเนี่ยมันก็คงจะไรกะไระอยู่เพราะฉะนั้น อ, อถึงแม้ว่ามันจะเป็นคําศัพท์ที่ เราฟังแล้วเนี่ยก็เข้าใจตรงกันแต่ก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้ท่านฟังเนี่ยเข้าใจศัพท์คาว่าที่พึ่งเนี่ยมากขึ้นหน่อยหนึ่งใช่ค่ะคำว่าที่พึ่งนี่นะถ้าแปลให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเข้าไปอาศัยแล้วสิ่งนั้นเนี่ยก็ทำให้สำเร็จประโยชน์อย่างที่เราต้องการได้อย่างเช่น บ้านนี่ก็เป็นที่พึ่งให้เรานะเวลาเราเข้าไปที่บ้านเนี่ยเราก็พึ่งบ้านกันนะพึ่งบ้านจากอะไรจากลมจากแดดจาก เ, าเขาเรียกว่าภัยต่างๆภายนอกได้โจรขโมยก็เข้ามาลำบากเพราะว่าเราอยู่ในห้องในหับในบ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นคาว่าที่พึ่งเนี่ยถ้าเรามองภาพเข้าไปนิดนึงเนี่ยคือการที่เราเข้าไปอาศัยอะไรสักอย่างหนึง แล้วเราก็สำเร็จประโยชน์อันนั้นเนี่ยพูดง่ายคือเราได้พึ่งอันนั้นนะอย่างบางคนก็ไปพึ่งเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยช่วยหางานให้พอเพื่อนหางานให้ได้เนี่ยก็เรียกว่าเราพึ่งเขาได้สำเร็จประโยชน์จากการที่ว่าเขาก็หางานให้เราทำได้อย่างเช่น เด็กๆเนี่ยก็ต้องพึ่งอะไรก่อนก็ตึองต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ที่จะให้ท่านเนี่ยคอยเลี้ยงดูแล้วก็เราก็เจริญเติบโตขึ้นมามันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าสําเร็จวัตถุประสงค์ของการที่การเป็นอยู่นะมันต้องอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นเราพึ่งพ่อแม่ก็คือให้พ่อแม่เลี้ยงดูให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาทีนี้ที่พึ่งเนี่ยก็มีทั้งในแง่ดีแล้วก็ในแง่ไม่ดี อย่างเช่น เ, เราพึ่งเพื่อ น, อนตอนสอบคือขอเล่ข้อสอบ <c oughs> สำเร็จประโยชน์ในการที่เราได้คำตอบมาใช่เจ้ค่ะแล้วเราก็สอบผ่านแต่เรียกนนว่าวเป็นพึ่งไม่ดีพึ่งเพื่อเป็นที่พึ่งที่สำเร็จประโยชน์อยู่ใช้คำว่าเป็นที่พึ่งได้แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันดีไม่ใช่ที่พึ่ง อ, อันเอนอนกษม เพราะว่าถ้าเกิดเราพึ่งอันนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยนอกจากประโยชน์ที่มันได้เฉพาะหน้าเนี่ยแต่ในประโยชน์ระยะยาวมันเสียไปหมายความว่าเราพึ่งเขาลอกข้อสอบเขาทําการบ้านแล้วก็ขอลอกเขาเงี้ยเป็นตน้นเราเสียประโยชน์ในอนาคตคือเราก็ไม่ได้ความรู้นะประโยชน์ที่ได้เฉพาะหน้าก็คือเราได้แค่ทํางานส่งอาจารย์ได้หรือไม่เราก็สอบผ่านได้ ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นระยะยาวเนี่ยมันไม่มีเพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้จากการที่เราต้องหน้าที่ของเราคือต้องศึกษาเร่อเรียนเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันดีเพราะฉะนั้นเวลาเราเราก็จะจะเห็นว่ามันมีที่พึ่งทั้งทําให้สําเร็จประโยชน์ได้จริงแต่มันเป็นประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาวได้ไหม เพราะนั้นถ้าเราเห็นคํานึงแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยแล้วเราไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมองไม่รอบด้านมองไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้อธิบายถึงศัพท์คําว่าที่พึ่งไปแล้วว่าเราเข้าไปอาศัยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้มันสําเร็จประโยชน์ที่เราต้องการได้เนี่ยก็เรียกว่าสิ่ง น, นั้นเป็นที่พึ่งให้เราได้เพราะฉะนั้นเราจะมีที่พึ่งที่มีในแต่ละวันเนี่ยมากมายหลายแบบเลย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือไม่ว่าจะเป็นตนเองก็ดีที่เราก็ต้องพึ่งตนเองด้วยทําให้การงานก็ดีหรือสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทําในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้มันสาเร็จให้มันผ่านไปได้อันนี้ก็เรียกว่าที่พึ่งภายนอกเพราะเมื่อกี้ที่เราพูดกันมาเนี่ยก็เป็นการงานที่มันอยู่แต่ภายนอกดังนั้น สิ่งที่พุทเจ้าตรัสเนี่ยก็ท่านเน้นลงที่ใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองให้มันสองด้านที่พึ่งข้างนอกด้วยแล้วก็ที่พึ่งทีเ่เกิดขึ้นในใจเราด้วยอย่างเช่นคนเราเนี่ยที่ต้องการก็คือความสุขนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปพึ่งโน้นพึ่งนี้เพื่อที่จะทำให้ความสุขเกิดขึ้นเราพึ่งอะไรบ้างเราก็พึ่งตาไปดู ดูโทรทัศน์บ้างดูหนังบ้างเพื่อให้เราเกิดความสุขขึ้นในใจเรานี่เราก็ไปพึ่งอะไรพึ่งทีวีไปพึ่งละครเพื่อเกิดความสุขในใจของเราบางทีเราก็ไปดูไปฟังเพลงอ่าเพราะนั้นเราก็พึ่งเพลงเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นในใจของเราคุยง่ายคือบางทีมีความเบื่อเกิดขึ้นเราก็ไปพึ่งเพลงบ้างพึ่งหนังบ้าง แล้วก็ไปพึ่งเพื่อนบ้างพึ่งแฟนบ้างเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์คือทำให้ความทุกข์คือความเหงาก็ดีความหงุดหงิดฟุง้งซ่านก็ดีเนี่ยมันจางคลายไปแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์ความสุขเกิดขึ้นในใจเราสังเกตจากเพื่อนเพื่อของโยมนะเจ้าคะก็คือส่วนมากเนี่ยถ้าสมมุติว่า เขามีความทุกข์ในใจอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะพึ่งเราโดยการที่มาเล่าเรื่องราวให้ให้ให้เราฟังเพื่อเหมือนเป็นการที่แบบระบายเหมือ น, นระบายเหมือนยกภูเขาออกจากอกเหมือนได้ระบายเหมือนได้มีเพื่อนฟังจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการคําตอบที่ที่เราตอบไปแต่ว่าเขาคงรู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ระบายออกมาม า, มากกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งสิ เ, เพราะว่าการที่เขาระบายการที่คาหาเราเนี่ยนะ เขาก็ต้องการเราเป็นที่พึ่งหมายความว่าประโยชน์เนี่ยอาจจะไม่ต้องการถึงขั้นว่าให้ปัญหามันโดนแก้ไปได้แต่เพื่อต้องการให้เขารู้สึกความทุกข์ที่มันมีให้มันลดน้อยลงได้บ้างบรรเทาลงไปได้บ้างเขาก็สําเร็จประโยชน์ตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นเราก็เป็นที่พึ่งก็คือทําให้ทุกของเขาในขณะนั้นเนี่ยได้ลดลงจางคลายลงบ้างอันนี้ก็เครียกว่าพอมาอาศัยแล้วแล้วก็สําเร็จประโยชน์เกิดขึ้น เพราถ้าเราเข้าใจศัพท์คําว่าที่พึ่งดีขึ้นนิดหนึ่งอย่างเนี้เนะี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยเราพึ่งแต่ข้างนอกทางนั้นเลยนะใช่เจ้าค่ะเราสแสวงหาที่พึ่งกันนะ่ะแสวงหาที่พึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวนะว่าเรากําลังสแสวงหาที่พึ่งกันอยู่อ่าอย่างเช่นเวลามีปัญหาแล้วก็ไปปรึกษากับเพื่อน พูดง่ายคือเพื่อนก็เป็นที่พึ่งให้เราเรามี<ช>ปัญหานะเราไปาปรึกษากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นที่พึ่งให้เราแต่ทีนี้ใครจะเป็นที่พึ่งอย่างไนเนี่ยมันก็ก็ต้องคอยวิเคราะห์คอยตรวจสอบคอยอคอยเลือกให้ดีด้วยนะที่พูดเจ้าเนี่ยก็ตรัสอยู่ในพระสูตรอันหนึ่งว่าแต่เป็นบาลีาลนะว่า พาหุงเวสรณังยันติปรับบตานิวนาณิจัอารามารุกขเจตยานิมนุษาพยตชิตาแปลว่าเวลามนุษย์เนี่ยทั้งหลายเนี่ยเวลากลัวแล้วเนี่ยเกิดความกลัวเกิดภัยคกุกความกับตัวแล้วเนี่ยก็ไปพึ่งภูเขาบ้างไปพึ่งอารามบ้างไปพึ่งรุกข์รุกขมูลต้นไม้บ้างไปพึ่งเจดียรางบ้างเหล่านี้พระเจ้าก็ตรัสต่อไปว่า เนตังโคสารนังขี่มังเนตังสารณมุตตมังเนตังสรณ ม, ม, มาคัมมะสั ป, ปะดุขาปรมุจติที่พึ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันอุดมไม่สามารถที่จะนําให้เราออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้น อ, อ, อันเนี้ยจะให้มาแจกแจงที่พึ่งที่เวลามีภัยกับ กับเราเกิดขึ้นเนี่ยจะแจกแยงให้หมดเนี่ยมันก็ลำบากพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างเหล่านี้เป็นตน้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวเราให้ดีสังเกตคนอื่นให้ดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโดยมากเนี่ยก็จะอยู่ในข้อนี้แหละข้อนี้ก็คือว่าไปพึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราคิดที่เราเข้าใจว่ามันดีแต่สุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จายว่าเนตังโคสระนังเขมังเนตังสระนังมุตตะมังก็คือว่า ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันอุดมแล้วที่พึ่งแบบไหนลนะ่ะที่พระเจ้าวาถึงจะดีพระยาก็รัดต่อไปว่าโยจะพุทธันจะจะทำมันจะ ส, สร้างขัญจะสรานังขโตคือบุคคลใดเนี่ยถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งดีแล้วเนี่ยจตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัปสติทุกขังทุกขะ สมุปปาดังทุกขษาจะอติกมังอริยัจะทั้งขีกลางมะขังทุกขู่ปะสมภามินางแล้วก็บุคคลได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะรู้อริยสัจสี 4, คือรู้ว่านี่คือทุกขนี่คือเหตุเกิดทุกขนี่คือความดับของทุกแห่นี่คืออริยมรรคมีองแปดคือทางดําเนินให้ถึงความดับของทุกได้เนี่ยรู้เหล่านี้เนี่ยด้วยปัญญาแล้วเนี่ยนะ จะสามารถที่จะหลุดพน้นจากทุกข์ทั้งปวงได้จ้าก็บอกว่าเอตังโคสะระณังเขีม e ังเอตังสะระณามุตตะมังเอตังสระณะมาขมะสัปปะตุฆาปมุตติหมายความว่าเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเป็นที่พึ่งที่เราพึ่งแล้วเนี่ยสามารถจะหลุดพน้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือมาพึ่งธรรมะพึ่งธรรมะนี่แหละเพราะว่าทุก ที่เรามีเราก็ต้องการที่จะกําจัดทุกข์ออกไปแล้วธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องมือที่เรามันที่เราจะนํามาใช้แก้ทุกข์เราได้เพราะนั้นธรรมะอยู่ที่ไหนล่ะไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่ภูเขาไม่ได้อยู่ที่อารามไม่ได้อยู่ที่รถคเจดีหรือไม่ได้อยู่ที่เพื่อนเราอยู่ที่พ่อเราอยู่ที่แม่เราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยธรรมะเนี่ยอยู่ในใจเรานี่แหละ ทำแท้ก็อยู่ที่ใจเรากิเลสแท้ก็อยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับเข้ามาข้างในเราให้เราเห็นว่าอะไรนี่มันเป็นตัวปัญหากนันแน่อย่างเช่นเราบอกว่ามีความทุกข์เพราะว่า เ, เขาไม่รักเราเป็นต้นเขาไม่รักเราเนี่ยถามว่าทุกข์นี่มันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเรา เ, เขาไม่รักเราเหรอมันจริงมันไม่ใช่หรอ มันเกิดเพราะความอยากในใจเราเนี่ยแหละเราอยากจะให้เขาโทรมาหาเราอยากจะให้เขาทำดีกับเราเพราะใจเราเป็นใจที่บกพร่องเป็นใจที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาผู้ง่ายคือหิวแล้วเราก็ต้องการให้บุคคลคนนี้เราจะจองเฉพาะคนนี้เขาจะต้องมาเติมให้เราถ้าคนนี้ไม่เติมให้เราเราก็ไม่หายอยากสัทีไม่อิ่มสัทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเรากําจัดความอยากตัวนี้ออกไปได้ไม่ว่าเขาจะเติมหรือเขาจะไม่เติมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราเติมให้เราได้เรามีความอิ่มใจของเราได้เรามีความสุขที่ได้จากตัวเองของเราเองได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นเขาจะมารักเราหรือใครจะมารักเราก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความทุกข์เกิดขึ้นใครจะไม่รักเราใครจะเกลียดเราเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อน กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราย้อนแล้วเราเห็นต้นตอของปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่อยู่ก็คือกิเลสที่มันอยู่ในใจเราตัณหาคือความที่ยันอยากที่มันอยู่ในใจเราได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแก้แล้วก็ทําให้ใจเราเนี่ยเป็นใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีทุกข์เกิดขึ้นได้ พระอาจารย์พูดเหมือนมันทําง่ายๆนะเจ้าคะว่าทุกข์มันอยู่ในใจถ้าเกิดว่าเราหยุดที่ใจหรือว่าเร า, เาแก้ทุกข์ในใจเราได้แล้วเนี่ย เ, เรื่องราวต่างๆหรือว่าความทุกข์นั้นๆก็คงจะทุเราบาบๆลงก็สรุปว่าทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งใครเลยไม่ต้องไปพึ่งอะไรเลยมันก็ต้องพึ่งก่อนนะเพราะว่าเหมือนเด็กๆเนี่ยเวลาเขาจะาดูแลตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลา คลอดออกมาจากคันมารดาเนี่ยก็ต้องมีมารดามีบิดาคอยฟุมฟักรักษาอย่างดีจากภัยพยันตรายที่มันสภาพอากาศก็ดีความหิวความกระหายก็ดีเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ เ, เด็กเนี่ยยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งพ่อแม่ก่อนคนปฏิบัติธรรมเนี่ย ก, ก็ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีที่พึ่งเพราะว่า อยู่ดีๆคนเราเนี่ยไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติธรรมาเนี่ยเวลาคิดว่าจะพึ่งตัวเองปุ๊บมันจะพึ่งได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้พึ่งพระพุทธให้พึ่งพระธรรมให้พึ่งพระสงฆ์ก่อนอเริ่มที่เข้าไปศึกษาสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ว่ามีอะไรบ้างก็คือพระธรรมนี่แหละว่าท่านตรัสไว้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ลองมาฝึกหัดดูท่านตรัสไว้ว่าอะไรเป็นทุกข์ก็คือ ตัณหานี่แหละคือเหตุของความทุกข์ความทะยันอยากที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละมันสร้างความทุกข์ให้เราแล้วเราก็ลองดูสิพิจารณาดูดีๆย้อนกลับเข้ามาดูดีๆว่ามันจริงไหมจริงอย่างที่ท่านว่าไหมแล้วเวลาที่ความทะยันอยากในใจของเราเนี่ยถึงมันไม่หมดไปแค่มันสงบลงไปแค่มันน้อยลงไปมันดีขนาดไหนแล้วข้อดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ดเนี่ย เราได้ลองได้เอามาเป็นธรรมนูญของชีวิตได้ทำให้เส้นทางของชีวิตเราเนี่ยเดินมุ่งตรงอย่างมั่นคงในอริยมรรคมิองแ์ดไม้ถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยผลที่มันประจักษ์ขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วอพอเราทำไปแล้วมันดีขึ้นแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพที่เราจะพึ่งธรรมะได้มากขนาดไหนพอพึ่งธรรมะได้เราก็ไม่ต้องไปพึ่งใคร ไม่ต้องไปพึ่งคนโน้นไม่ต้องไปพึ่งคนนี้ไม่ต้องไปพึ่งเทพ เ, เจ้าองค์ไหนไม่ต้องไปพึ่งระคมูลต้นไหนไม่ต้องไปพึ่งสถานที่แห่งไหนเพราะว่าธรรมะเนี่ยที่ท่านให้ให้พึ่งเนี่ยก็คืออยู่ในใจของเรานี่แหละทำก็อยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นเราก็มาพึ่งนี่แหละพึ่งธรรมในใจของเรานี่แหละ พึ่งอะไรบ้างพึ่งสติพึ่งอะไรบ้างพึ่งความเพียรพึ่งอะไรบ้างพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็พึ่งเหล่านี้แหละที่จะมาแก้ไขความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกหัดไปแล้วเนี่ยศักยภาพก็เหมือนนิกเด็กนี่แหละที่พ่อแม่ฟูมฟักรักษาอย่างดีออพอให้ศึกษาเล่าเรียนให้ ให้ข้าวให้น้ําเติบโตขึ้นมีความรู้ขึ้นพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะคอยดูแลตัวเองได้คอยรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็ทามาหาเลี้ยงชีพของให้ให้ตัวเองได้มีปัจจัย4ี่ที่จะบาบุงรักษาตัวเองได้ทีนี้ก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นฉันใดฉันนั้ น, น, น, น, นเวลาที่เรามีธรรมะที่มันเจริญขึ้นเราก็พึ่งธรรมะในใจเรานแ่แหละ พเราพึ่งธรรมะในใจของเราได้อย่างเข้มแข็งเรามีธรรมะเกิดขึ้นเป็นธรรมะอันดีธรรมะอันนําเราออกจากทุกข์ได้แล้วเนี่ยถ้าเราไปถึงจุดหมายปลายทางคือเราทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยเราก็จะมีคุณสมบัติเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ด้วยเพราะเรารู้ว่าทางไหนคือทางที่ทําให้ทุกข์เนี่ยมันดับลงไปได้เราเคยเดินผ่านมาแล้วเราแจ้งในทางที่จะทําให้ทุกข์มันดับไปได้แล้วเราก็คอยบอก คนเ็ได้เราก็คอยชี้ให้คนเด็กได้ถ้าคนไหนเห็นคนไหนเข้าใจคนไหนได้ทำตามประพฤติตามเขาก็จะสามารถที่จะเป็นคนที่มีที่พึ่งให้กับตัวเองได้ที่พึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากทุกข์ทั้งปวงได้เจ้าค่ ะ, ะตัวโยมเองนะเจ้าค่ะก็เป็นผู้ปฏิบัติใหม่ ก็คือเป็นผู้ที่เพิ่งจะปฏิบัติธรรมาได้ไม่นานคือตอนที่เราไปอยู่ที่วัดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสบายใจดีแต่พอเรามาใช้ชีวิตจริงในในชีวิตการทำงานชีวิตครอบครัวก็รู้สึกว่ามันมีสิ่งกระทบมากมายแล้วในช่วงแรกๆนั้นก็ ที่พึ่งก็คืออยากจะไปแต่วัดเจ้าคะ่ะอืแล้วก็พึ่งครูบาอาจารย์มีปัญหาก็ให้ครูบาอาจารย์ช่วยแก้อะไรแบบเนี้ยก็เท่ากับว่าเราก็ยังพึ่งสถานที่ก็คือวัดซึ่งเรายึดว่าเป็นสถานที่สงบแล้วก็เราไปอยู่แล้วเร า, เรามีเรามีความสุขอันเนื่องมาจากเราไม่เจอสิ่งกระทบในชีวิตประจําวันในชีวิตการทํางานชีวิตบนท้องถนนก็ตามอย่างเงี้ยแต่แล้วก็ยังพึ่งครูบาอาจารย์อยู่เพราะว่า ถ้ามีปัญหาก็คงจะเรียนถามคุณบาอาจารย์ให้ช่วยแก้อืมคือพึ่งเนึ่งก็พึ่งได้หรอกแต่และ ว, ว่าถ้าเราคิดว่าเรามีเป้าหมายไม่ว่าว่าเราจะพึ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นนะมันก็ทําให้ศักยภาพเราเนี่ยมันพัฒนานช้าเพราะมีอะไรมีอะไรเราก็มันเหมือนเปรียบเทียบเหมือนมีดเนะี่ยที่เราจะไม่ได้พกติดตัวของเราแล้วก็อาวุธที่มันไม่ติดตัวกับเราเนี่ยเวลามีภัยอันตราย เราก็จะบอกขอหยุดก่อนนะเดี๋ยวเรากลับไปเอามีดที่บ้านก่อนเดี๋ยวไปยืมมีดเพื่อนก่อนหรือไปยืมอาวุธเพื่อนก่อนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นพูดง่ายคือมันไม่ไ ม, ไม่ทันการหรอกเพราะว่าศัตรูก็ดีพยันตรายก็ดีเนี่ยมันไม่รอบอกอะไปสิไปอาวุธมาสู้กันไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราคอยพึ่งคูบาจายเนี่ยก็หมายความว่าเรายังต้องขอเวลาเบรกเพื่อที่จะไปยืมอาวุธมาสู้กันอยู่ แต่ที น, นี้เราจะทํำยังไงให้สิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านแนะนำสิ่งที่ท่านคอยชี้ชอยค ช, ช, ชี้ชี้ชี้อยู่เนี่ยว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้จึงจะถูกเนี่ยเราทํำยังไงให้มันมีดของท่านเนี่ยมาเป็นสมบัติของเราให้ได้หมายความว่าเราก็มีมีดอย่างที่ท่านใช้นี่แหละแล้วก็ติดตัวเราได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเจอศัตรูเจออุปสรรคเจอพยาันตรายเนี่ยเราก็มีอาวุธพร้อมสู้พร้อมใช้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันถึงจะ แก้กันได้ทันท่วงทีกับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าไม่มีเป้าหมายว่าเราจะพัฒนาไปถึงจุดที่ว่าเราจะพึ่งตนเองให้ได้เนี่ยพูดง่ายๆคือศักยภาพของเราก็จะไม่เท่าทันกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยมีดีแล้วคอยพึ่งก็ดีแล้วแต่อย่าทําใจว่าเราจะพึ่งท่านตลอดไปเพราะว่า ท่านเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับเราได้ตลอดหรอกสักวันหนึ่งท่านก็ต้องจากเราไปแม้แต่เราเองเนี่ยเราจะไปก่อนท่านหรือท่านไปก่อนเราเรายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องรีพัฒนาให้เราเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้เพราะนั้นถ้าเราเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้เราแก้ทุกข์ให้ตนเองได้ไม่ต้องให้ใครมาแก้ทุกข์ให้เราเนี่ยมันจะดีที่สุดแหละเพราะว่าเราแก้ของเราเองได้เพราะฉะนั้นมันจะมีทุกข์ตอนไหน เราก็แก้ใด้ตอนนั้นไม่ต้องรอให้ทุกมันมาย่ำยีหัวใจเราจนเร า, เอาขอเวลาแล้วก็หาเวลาเพื่อที่จะไปให้ครูบาอาจารย์ขอช่วยแต่ถ้ามันยังอยู่ในลักษณะนี้อยู่เนี่ยก็ต้องคอยเข้าไปสอบถามคอยเข้าไปศึกษากับท่านแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราต้องมาขยันของเราด้วยอย่าประมาทที่ว่าเออเรามีครูบาอาจารย์ดีแล้วนะเราก็เด้เลยเฉยๆไป ซึ่งถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ย เ, ออเราก็เป็นผู้ที่อย่างมีความประมาทอยู่มากเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่กับเราหรือว่าท่านเราจะไม่อยู่กับท่านอันนี้ไม่มีใครทราบเลยคุยๆกันไปอยู่อย่างนี้เราอาจจะปักเส้นเลือดในสมองแตกเป๊ะแล้วก็ตายไปก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครทราบเลยว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไง เพราะนั้นถ้าเราพึ่งตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้มินาทีนี้กาจัดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยได้ด้วยตนเองเราก็จะสามารถที่จะเรียกว่ามั่นใจในอนาคตของเราได้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์ได้ตลอดพอไม่มีทุกข์ได้ตลอดแล้วแก้ทุกข์ได้เนี่ยเวลาเราตายไปเราก็ไปสุคติเพราะนั้นก็ เ อ, อใครมีครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทรีบไปศึกษาเล่าเรียนกับท่านให้แตกฉานให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจของเราถึงวิธีการที่จะนําตนเนี่ยให้ออกจากทุกข์ให้ได้เพราะท่านก็ไม่สามารถทําให้ทุกข์เนี่ยหมดไปจากใจเราได้เหมือนกันมีแต่เรานี่แหละที่เราต้องทําเองมีแต่เรานี่แหละที่เราจะต้องอ่า คอยทําให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นแค่ผู้บอกเป็นเพียงแค่ผู้แนะนําให้เราเฉยๆดังนั้นเราเนี่ยแหละต้องรีบทํารีบขนขวายให้มันเกิดขึ้นให้ประโยชน์ตัวนี้มันเกิดขึ้นกับเราให้ได้มากที่สุดหลวงพ่อเคยบอกว่า ให้พึ่งตนพึ่งทมแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยของการปฏิบัติหรือการศึกษาที่จะปฏิบัติทำเพื่อความพ้นทุกข์ก็ยังพึ่งยังพึ่งครูบาอาจารย์ได้อยู่แต่ต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็พึ่งตนเองให้ได้ก็เป็นหน้าที่ของสมณะนะที่ว่าก็ต้องเอาธรรมะที่มันเราศึกษามาเรามีความรู้ แล้วเราก็เข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นประโยชน์แล้วเรียกว่าธรรมสุดธรรมต่างคือทําเป็นธรรมอันดีอาศัยว่าธรรมะเป็นธรรมอันดีอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาอาศัยความอินดวเนี่ยก็นำสิ่งดีๆเหล่านี้มาบอกสอนให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติกันเพราะฉะนั้น เวลาที่ช่วงแรกเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปเราก็ต้องพึ่งพึ่งครูบาอาจารย์อย่างนี้ไปก่อนนั่นแหละแต่ถ้าเราพึ่งแล้วแล้วก็ไม่ทำให้ไปถึงจุดที่ว่าเราพึ่งตัวเองได้เนี่ยอันนี้ก็ยังยังไม่ดีอะ่ะต้องทำให้มันดีจนถึงว่าเราไม่ต้องพึ่งกับใครไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราเป็นคนที่กระด้างไม่เคารพครูบาอาจารย์นะไม่ใช่ ก็เหมือนอย่างที่ว่าไปแล้วคือเราสามารถที่จะติดอาวุธให้เรามีศักยภาพในการแก้ทุกขของเราเองเนี่ยให้ทันท่วงทีไม่ใช่ว่าเรามีความกระด้างไม่เคารพในครูบาอาจารย์นี่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราติดอาวุธเรามีอาวุธอยู่กับเราเราไม่ต้องไปพึ่งให้ท่านมาคอยแก้ให้เราตลอดนี่ชื่อว่าเป็นการที่เราเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะไม่ต้องมีอะไรก็ไปคอยจุกจิกให้ท่านช่วยเหลือตลอดอันนี้ไม่ถูก ลูกศิษที่ดีก็คือเอาสิ่งที่ท่านมีที่ท่านเป็นที่ท่านสอนเนี่ยเอามาทแล้วเราก็ทำให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปกวนใจท่านอีกต่อไปนี่จึงเป็นลูกศิษ์ที่ดี เจ้าค่ะก็อยากจะขออนุญาตแนะนําท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ที่วัดวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยก็จะมีคอสปฏิบัติธรรมทุกๆเดือนถ้าเกิดว่าท่านที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมและอยากจะไปลองศึกษาดูว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําให้เรา กําจัดทุกในใจของเราได้อย่างไรนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หลวงพออ่อด็อกเตอร์ .com ก็จะมีรายละเอียดของอคอร์สปฏิบัติธรรมซึ่งจะจัดทุกเดือนอเดือนละหนึ่งครั้งนะคะลองเข้าไปดูถ้าเกิดว่าใครสนใจลองหาเวลาแล้วก็ไปศึกษาธรรมะกันดูจ้ ะ, ะเดี๋ยวขออัปเดตหน่อ ย, อยนะเจ้ค่ะพอดีว่าเว็บไซต์ตัวนี้เขาได้อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วเป็นถ้าวัดป่าเราเห็นสก็คือ w p d h s d o o r g แต่ก็จริงๆแล้วใครพิมพ์วัดปาด่าหลวงพ่อดร c o m มันก็ลิงก์ไปที่ตัวนี้อยู่แล้วละ่ะจะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพิมพ์คำว่า w p d h s o r g เนี่ยก็เข้าไปตรงเลยแล้วก็จะมีหน้าที่สามารถที่จะดูตารางปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้แล้วก็ ตารางของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็โดยมากเนี่ยก็จะแลนไปถึงข้ามปีไปเลยเพื่อที่สามารถให้คนที่มีธุระค่อนข้างมากเนี่ยก็ได้แลนกันยาวๆวา่าพอถึงช่วงนี้ช่วงนี้เราสะดวกเราสามารถที่จะเคลียร์งานได้แล้วเราก็าได้ลองไปดูอาจจะเป็นคอสที่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าเราคิดดูว่าชีวิตเราเนี่ยใครอายุ30ิ หรือใครอายุ40หรือใครอายุห0 6สิบ80เจก็ดีเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุของตนของตนเนี่ยก็ยังเป็นคนมีทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นลองนับมาสมมุติว่าเราอายุ40เนี่ยนะลองนับนิ้วดูว่ามีกี่วันมาแล้วที่มันผ่านไปกับเวลาแค่ประมาณไปหัดธรรมะไปฝึกการทำสมาธิเนี่ยแค่เจ็วันแล้วเราได้เครื่องมือ ที่จะมาต่อต้านกับความทุกข์ของเราต่อไปเนี่ยว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยแค่เจ็ดวันกับชีวิตที่มันเหลืออยู่นะมันจะคุ้มค่ามากสมมติใครอายุยี่สิบหรือใครอายุสาสิบแล้วคิดว่าจะอยู่ถึงอายุหนึ่งร้อยนะเสียเวลาแค่เจ็ดวันแล้วเราจะมีวิธีต่อต้านความทุกข์ไปจนอายุเราหนึ่งร้อปีเนี่ยโอ้ยมันคุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองไปปฏิบัติดูแลก็นําอาวุธ ที่ท่านให้มาแล้วเนี่ยใช้ให้ชํานาญแล้วท่านจะได้เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะต่อต้านความทุกข์มีศักยภาพที่จะทําที่สุดของทุกได้พระอาจารย์เจ้าคา่ะตัวโยมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ถึงกับติดวัดมากเท่าไหร่แต่ว่ามีเพื่อ น, อนๆหลายๆคนเนี่ยก็จะถามเราว่า ชีวิตมีปัญหาอะไรเหรอทําไมต้องเข้าวัดล่ะทําไมต้องไปปฏิบัติธรรมล่ะบางคนก็คงจะคิดว่าควรจะเข้าวัดตอนแก่ๆนะเจ้าค่ะตอนที่เราแบบแก่มากๆแล้วคือหมดหมดจากการหมดหน้าที่จากการงานจากครอบครัวแล้วถึงจะไปเข้าวัดกันจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าอายุมากแล้วเราคงนั่งสมาธิไม่ไหวคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จะต้อง ไม่ใช่ว่าเป็นใครๆก็คิดว่าจะไปตอนแก่หรือว่าอะไรเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของใจก็จริงแต่ถ้ามันอยู่กับร่างกายเนี่ยมันก็ต้องเอาใช้ร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวฝึกใจเราไปด้วยนะจะมานั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยทำได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่าสมมติเราเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างเงี้ยเราจะมานั่งทนได้หรือกว่าจิตเราจะสงบชั่วโมงหนึ่งสมมตินะ มันอาจจะไปสงบตอนช่วงที่นาทีที่ห้าสิบอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ถึงนาทีที่ห้าสิบเนี่ยมันจะได้เหรอเรียกว่ามือเท้าเนี่ยมันไม่เป็นไปตามอําอนาจของเราแล้วเนี่ยจะสั่งให้มันเดินจงกรมสามสิบนาทีหรื อ, เ, อ, อเดินจนกว่าใจเราจะสงบเนี่ยมันทําได้ไหมล่ะมันทําไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่ามือเท้าเราเกิดอยู่ดีๆเส้นเลือดมันอุดตันในสมองแล้วเราก็เป็นอมพตะขึ้นมา ทำไม่ได้แล้วการที่เราจะต้องมานอนเป็นคนพิการอย่างนี้เนี่ยมันก็ยากที่เราจะไปหาครูบาอาจารย์มันก็ยากที่จะมีคนจะสะดวกในการที่จะไปหาคนที่จะมาแนะนําสั่งสอนให้เราเวลาเรามีข้อสงสัยมีข้ออะไรเราจะไปหาได้โดยสะดวกหรอเป็นไ ป, นปนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องไปหาตอนที่เรามีกําลังวังชายนี่แหละต้องไปหาตอนที่เรายังแข็งแรง น, นี่แหละแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันจะต้องมันก็เหมือนการออกกําลังกายต้องสะสมอะสะสมจนวันหนึ่งเนี่ยเราออกกําลังกายไปทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงขึ้นปอดเราก็ขยายขึ้นเราก็มีสมรรถภาพร่างกายที่มันดีขึ้นเรื่องธก็เหมือนการไม่ใช่ว่าทําวัน2วันแล้วเราจะมีความทุกข์ที่มันขาดหายไปจากชีวิตของเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นยิ่งแก่เนี่ยเวลาก็ยเหลือน้อยแล้วเวลาที่เราจะมาทําให้ ชีวิตของเราเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นที่จะต่อสู้กับความทุกเนี่ยมันก็น้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ความทุก์เนี่ย ม, มันไม่ไดม้มันไม่ได้มาแวะเวียนเฉพาะคนแก่นะแต่มันแวะเวียนตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครยังคิดว่าชีวิตตัวเองไม่มีทุกขก็เลยไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะพูดง่ายพูดง่ายคือก็อยา่าพระเจ้าก็ใช้คําว่าเป็นผู้ประมาทนะ เพราะว่าไม่เห็นทุกข์พอไม่เห็นทุกข์มันก็ทำไปในเหตุที่ยังอยู่ในความทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าตัวเองจะรู้สึกเป็นสุก็ตามแต่ทำไปมันจะไปตัดสินอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเจียไปด้วยอากุศลละมูลไหมมันเจียไปด้วยโทสะไหมโลภะไหมโมหะไหมราคาไหมเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราทำไปแต่เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นเป็นบาปเป็นอกุศล เราก็ทไปมันก็เหมือนเราก็เติมน้ำเสียเราไปเรื่อยๆนะชีวิตเราก็สั่งสมแต่ฝ่ายอกุศลวางวางอันเถอะแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษเราก็จะได้ละวางปล่อยเว้นมันแต่สิ่งสําคัญคือว่าถ้าไม่เข้าวัดไม่ไปหาครูบาอาจารย์เราจะรู้ได้อย่างไงว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลสิ่งไหนที่ทําแล้วเป็นอกุศลสิ่งไหนที่ทําแล้วเป็นกุศลเราก็จะไม่รู้หรอกเราก็ทําตามไปที่ว่า เราชอบหรือเราไม่ชอบและส่วนมากไอ้สิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็เป็นชอบไปในทางอากุศลเท่งนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นนายครองใจเราอยู่นะมันก็ให้คิดพูดทําไปในฝ่ายอากุศลนั่นแหละคือฝ่ายของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านถึงเปรียบไว้อะว่าคนที่จะไปสุคติได้เนี่ยเปอร์เซ็นท่าเปรียบเหมือนโคหนึ่งตัว น, นะโคมีขา่าสองเขา แล้วก็ขนโคเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ เ, เนี่ยเต็มทั้งตัวเลยเพราะนั้นคนที่ไปสุขติก็มีเปรียบเหมือนเขาโคแล้วคนที่ไปทุขติเนี่ยก็เปรียบเหมือนขนโคนะแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่ว่าท่านเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันมีมากเพราะฉะนั้นก็ทำไปอย่างที่ตัวเองชอบใจโดยที่ไม่ได้ศึกษาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลจากผู้รู้ทั้งหลาย เพราะนั้นจึงทําตามใจชอบจนกลายเป็นเหมือนกับว่าอส ส, สส่วนเนี่ยที่มันพาไปก็คือเหมือนขนโคนคนั่นแหละบางอันเถอะเพราะฉะนั้นเราก็อย่อาประมาทครูบาอาจารย์คือผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านท่านรู้ดีแล้วท่านรู้ชอบแล้วท่านรู้ตรงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปศึกษาท่านแล้วเราก็จะได้เรียก ว, ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตรู้จักอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ไม่เป็นกุศล แล้วเราก็มุ่งหน้าทำกุศลให้ดีถึงแม้ว่าจะาไม่ได้หลุดพ้นคือไม่สามารถที่จะที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่อย่าง น, น้อยเราก็มีสุขติเป็นพบื้องหนาซึ่งมันก็ดีกว่าไปทุกขติมากมายแล้วล่ะค่ะก็อยากาฝากบอกท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่มีความรู้สึกว่าเราจะเริ่มต้นที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าไปศึกษาธรรมะ ก็เมื่อช่วงที่เราอายุมากแล้ว น, ะนั้นนะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนที่อายุเยอะแล้วถึงแม้ว่าจะหมดปัญหาหมดภาระทางโลกหรือว่าภาระทางโลกเบาบางลงไปแล้วก็ตามแต่ว่าการที่เราจะไปนั่งภาวนาปฏิบัติสมาธิเนี่ยก็มันจะลำบากมากด้วยสังขารที่มีอายุมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆหลายๆคนที่มักจะถามยมเสมอว่า ทำไมเรายังไม่แก่เลยแล้วทําไมเราถึงชอบไปปฏิบัติธรรมจังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็ก็รู้สึกว่าเรามีทุกข์ในใจน้อยลงแล้วเราก็ได้สิ่งดีๆมาจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็สามารถจะไปอะบอกบอกเพื่อนได้แนะนําเพื่อนได้ในสิ่งที่ดีๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากท่านผู้ฟังว่า เรามาถ้าผู้ใดยังไม่เคยที่จะปฏิบัติธรรมหรือไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติธรรมนะคะก็เริ่มต้นกันได้แล้วก่อนที่เราจะแก่แล้วเราก็จะไม่มีแรงที่จะไปเจ้าค่ะอืมนั้นก็คงจะสมควรเก็บเวลาก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองมาปฏิบัติธรรมดูจะได้รู้ว่าชีวิตที่มีความทุกข์น้อยลงเนี่ยมันดียังไง ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะสบายๆแล้วนะคะกราบนำมำสการพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตแล้วก็สวัสดีท่านฟังทุกท่านสวัสดีค่ะเป็นพร